บุ <Book two. S 3> ๊กทูหนึ่งร้อยคำวิเศษเคยยังไม่เคยคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง ВИ ВЖЕ БУЛИ В БЕРЛІНІ? ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ н ม่ щ ั н ย к о л и ใครไม่มีใครเ т о н ่ б у д ь н і น т о คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ в ม่ฉันยังไม่เคยเลยค่ะไม่ไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะนี่ยังไม่ร т ้จักใ о อีกนิดอีกไม่นานชั е, คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะ Ні, я залишаюся не надовго. Арик, май ігл. Ще щось? Більше нічого. Кун, як дім арик май? Хочете ще щось випити? Май, дічан не як дім арик лає. Ні, я не хочу більше нічого. อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย вже ось, ще щось нічого คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะ нічого не я ще в มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว Ь, มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมบอจายิ่งเช่ห์ทุ่เนบุตไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะนี่บิลเช่ w b o o k ์ทุ่